Thank you. ไปเรียนพรท่านผู้คงแก่เหลียนทั้งหลายการศึกษาธรรมะพอให้รู้จักทิศทางสักหน่อยเรารู้จักตัวเองในฐานะแบบใดชีวิตเราเป็นเชไหนใช้ชีวิตยังไงชีวิตเราเนี่ยใช่ผิดแล้วก็ผิดใช่ให้ถูกก็ก็ถูกใชใ่เป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์ใช่เป็นสุข ก, ก็เป็นสุขแต่ว่าใช่ให้เป็นสุขเป็นทุกข์นั่นถูกหรือผิดใช่ได้ไหม ถ้าชีวิตเป็นสุขเป็นทุกข์นะมันก็เป็นสังขารสุขก็เป็นสังขารทุกข์ก็เป็นสังขารสังขารนี่ใช่ไม่ได้ในกีรังย่งยืนพระพุทธเจ้าตรัสว่าปุญญาพิสังขารสังขารคือบุญคือความสุขถ้าปุญญาพิสังขารสังขารคือบาปอนินชาพิสังขารสังขารคือยังไม่เป็นบุญเป็นบาปพ่อมจะเป็นบุญเป็นบาป เราแต่เหตุปัจจัยนี่มันสิงได้เป็นสังขารสิ่นั่นก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่นั่นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่นนั่นไม่ใช่ตัวตนควรหรือที่เราจะต้องไปยึดเอาสิ่งที่เป็นทุกสิ่งที่มันไม่เที่ยงว่าเป็นตัวเป็นตนเราศึกษาธรรมะอย่างไรเมื่อเรามาเจริญสติมาดูกายดูใจจะได้คําตอบกายมันจะบอกใจมันจะบอก ความจริงเป็นไงความเท็จเป็นไงัวามเที่ยงเป็นไงไมันแสดงให้เราเห็นัวามทุกข์เป็นไงแสดงให้เราเห็นเราก็ได้บทเรียนจากการพบเห็ น, นไม่ใช่การคิดเห็นพบเห็นัวเห็นความรู้พบเห็นความหลงระหว่างความรู้กับความหลงเราก็ะแสดงเราก็เป็นผู้ศึกษาตรงนี้อย่าปล่อยให้มันหลงฝ่ายฝ่ายเดียว เราป่อ้มันรู้ไปฝ่ายเดียวผู้ศึกษาต้องเป็นผู้เห็นเห็นรู้เห็นหลงควมหลงรวมรู้เป็นอาการเกิดขึ้นระหว่างการศึกษาไม่ใช่อยากให้มันรู้ไม่อยากให้มันหลงมันเป็นไปไม่ได้เราเราจะศึกษาของจริงของไม่จริงของไม่จริงก็แสดงของจริงก็แสดงถ้าแสดงแต่แต่ของจริงมันก็ไม่เห็นของไม่จริง มันยังมีการที่จะต้องพิสูจน์ดูสัมผัส ด, ดูความหลงมันจริงไหมความไม่หลงมันจริงไหมความทุกข์มันจริงไหมความไม่ทุกข์มันจริงไหมแล้วก็จะมีคู่คู่คู่ ค, ค, คู่ไปสารพัดจะเกิดขึ้นขณะที่เราศึกษาดูกายดูใจก็เป็นที่ตั้งของปัญหาเป็นที่ดับของปัญหาที่กายกับใจเหล่านี้เนโอเค ไม่เคยเห็นตัวเองก็จะได้เห็นอะไรเป็นตัวเองเราสำคัญมั่นหมายอะไรว่าเป็นตัวเป็นตนเราว่าเราเป็นทุกข์เราว่าเราเป็นสุขนจริงไหมได้ไหมก็ใช่ลองดูมันมาตรฐานไหมสิ่งได้ที่มาตรฐานมันก็ต้องใช่ได้เราจริงจริงแล้วสิ่งที่ไม่เป็นอะไรมันใช่ได้เป็นแต่เห็นมันใช่ได้แต่เป็นเลยใช่ไม่ได้เลย เง็นไม่เข้าไปเป็นไม่เป็นอะไรกับอาการที่มันเกิดขึ้นไม่แสดงให้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ให้เป็นไปเพื่อความสงบให้เป็นไปเพื่อนิพพานหรือหยุดสุดไม่เป็นอะไรเมื่อไม่เป็นอะไรก็ใช่ได้เหมือนเราใช่ใช้ไม่เครื่องมือใช้รถตอนพร้อมที่จะเราใช้คือไม่ไม่เป็นอะไรมนพร้อม ถ้ามันเป็นประโยู่มันก็ไม่พอมถ้าอย่งสุขมันก็ยังใช่ไม่ได้ถ้าอย่างทุกขก็ใช้ไม่ได้เพอจงศึกษาดูจนเห็นจนย่อยจนแยกออกมาล้วก็จะเห็นตรงนี้แหละดูกายดูใจเห็นกายเห็นใจเห็นเป็นรูปเป็นนามไม่่เห็นเป็นกายไม่เห็นเป็นใจถ้าเห็นเป็นกายกายจะลงโทษเพราะเรื่องของกายมีเยอะ มีร้อนมีหนาวมีปวดมีเมื่อยมีหิวอะไรหลายอย่างกที่มันแสดงออกในทางใดแล้วก็ยอมรับถ้ามันร้อนก็เป็นผู้ร้อนถ้ามันหนาวเป็นผู้หนาวถ้ามันปวดก็เป็นผู้ปวดถ้ามันสุขเป็นผู้สุขถ้ามันทุกข์เป็นผู้ทุกข์ร่างกายมันแสดงอย่างนั้นเราก็แสดงไปตามบทบาทของเขาเพ น, นั่นเลยว่าไม่ได้ศึกษามาเรียนรู้ ความสุขก็เป็นความทุกข์ไปความสุขก็เป็นความสุขไปของอย่างเดียวเป็นสุขก็มีของอย่างเดียวเป็นทุกข์ก็มีอันใช่ได้อย่างไงแล้วก็ศึกษาไปเห็นกายถ้าเห็นอย่างนี้อ า, าการแสดงกออกของกายมันก็มีแน่นอนเพราะกายเป็นวัตถุเหมือนกับแผ่นดินที่เกิดจากบนกายนี้ก็มีตามีหูมีจมูกเร้่อกายใจ เป็นแหล่งทีเกิดความหลงเยอะแยะเราจึงมาดูให้เห็นหลักฐานไม่ใช่ไปคิดหาะมันแสดงจึงเห็นมันเป็นจึงรู้ไม่ใช่ทุกก่อนทุกไม่ใช่สุก่อนสุกเราจะได้คต่อไปจนเห็นกายเป็นรูปเห็นใจเป็นนามมันก็กว้างขวางพอเห็นเป็นกายเป็นใจมาครับชป็นแคบเราก็โจนไม่รู้จักหลบไม่รู้จักหลีก ถ้าเห็นเป็นรูปมันก็พ่วงขวางมันก็มีทางออกเยอะแยะเห็นสุขก็เป็นอาการเห็นทุกข์ก็เป็นอาการแต่ก่อนเป็นทุกข์พอเห็นเข้าจริงๆเห็นเป็นอาการมันก็เบาลงมันก็กระจายออกมันก็ย่อยแยกออกเราก็รู้จักเลือกเข้าไปเกี่ยวข้องกับวาการต่างๆด้วยปัญญาแต่ก่อนมาโง่ตรงนี้ พอเราศึกษาไปไป ม, มีปัญญาตรงนี้ด้วยเรียกว่าความรอบรู้ในกองสังขารคือกายสังขารจิตตสังขาร น, นี้เป็นแหล่งปัญญาปัญญาพุทธปัญญาแห่งการตัดจะรู้ไม่ใช่ปัญญาเพื่อทํามาหาจีนเมื่อมีปัญญาตรงนี้มันก็เป็นที่ตั้งของปัญญาทั้งหลายเหมาะแก่การงานหมอแก่หน้าที่หมาแก่การปฏิบัติหน้าที่ถ้าไม่รู้ตรงนี้ก็จะมีปัญหา เกิดจากเราก็ไม่พอเก็จากคนอื่นอีกถ้าเฉลย ER ตัวเองมาได้ก็เฉลยคนอื่นไม่ได้ถ้าเราเฉลย ER ตัวเราได้ก็เฉลยคนอื่นได้อันเดียวกันสิ่งที่เราผ่านแล้วก็อื่นยังไม่ผ่านแล้วก็รู้จักเคยเกี่ยวข้องกับคนอื่นอย่างไงเพื่อนเขาหลงเราทําังายเขาโกรธเราทําง่ายเขาอิจฉาเขาเบียดเบียนเราเราทำยั enders, รรำงย <Paw. S 1> แล้วก็ไม่ทาง ดูหลบเป็นปีกดูเด็กกันหาโดยไม่มปัญหาถ้าเราไม่ลู่จะเลยเตัวเองไม่ได้ปัญหาอยู่กับเราไม่พอปัญหาอื่นมาบวกเข้าเมื่อคนอื่นโกรธแล้วโกรตอบคนสองต่อโน่ไปด้วยคนด้วยเขาโกรธก่อนไม่ฉลาดตรงนี้มันก็ไปไม่รอดเราจะมาศึกษาเพื่อไปทำมานเพื่อทำหน้าที่เพื่อคิดของเราเพื่อช่วยกันและกัน มาใช่เพื่ออะไรชีวิตของคนคนหนึ่งเพื่อช่วยคนคนหนึ่งจึงจะเป็นสัตว์มนุษย์เป็นสังคมหมู่อยู่ร่วมกันเป็นครอบัวผัวเมียทมงานทําการร่วมกันด้วยความสุขด้วยความสําเร็จอย่างนี้อันนี้จําเป็นเหมือนกันเกตพระพุทธเจ้าได้รู้เรื่องนี้พอสนุกช่วยคนถ้าเป็นความรักก็เป็นยอดนักลักพระพุทธเจ้าเป็นยอดนักลักที่สุดในโลก ต่อคนอื่นทั้งหลายทั้งหลายตั้งต้นจากตนนี้ก็มีอันดีอันงามเกิดขึ้นมากมายหลายอย่างแต่ไม่มีตรงนี้ก็เห็นเจือตัวมากขึ้นเป็นมาหาต่าตัวเองไม่พอเป็นมหาต่าคนอื่นเจงเว่ยวัตถุอื่นถ้าเราลู่ตรงนี้แล้วลู่เราตรงนี้แล้วเอาเราไปรับความย่อเราไปทําความดีได้สําเร็จความดีก็อยู่ที่กายความดีอยู่ที่ใจเอากายเราก็มีใจเราก็มี ความเชื่อก็อยู่ที่กายที่ใจเราการมีกายมนใจไปรับความเชื่ออะไรสาเร็จมันพร้อม อ, อันนี้มีประโยชน์พระอทำเป็นเครื่องกับจัดทุกพอพระเจ้าเป็นเครื่องกับจัดทุกพระสงฆ์เป็นเครื่องกับจัดทุกเป็นเครื่องมือหมายถึงควรธรรมไม่ใช่ดุลไม่ใช่ก้อนขันก้องก็เป็นธาตุสี่ขันห้าเหมือนกันแต่อันนี้มันมีควรธรรมอยู่ตรงนี้ เพราะคนเรามีธาตุหกปฏิวิทยาคือธาตุดินอโปธาตุคือธาตุน้ำเตยโจธาตุคือธาตุไฟวายโยธาตุคือธาตุลมอากาศธาตุคือช่องว่างในกายวิญญาณธาตุคือความรู้อะไยได้นามธาตุแล้วก็ธาตุเหล่านี้เป็นธาตุกรรมฐานเอาเป็นตัวตั้งของการทำความดีเราจึงมีหน้าที่สทำควมชั่วเลย ถ้าเราไม่ลูกเอาธาตุนี่ไปทำความชั่วไปเฉียนไปฆ่าเบียดเบียนตนเดืองและคนอื่นเราจะมาศึกษาเรื่องนี้เรียกว่าสิกขาสิกขาคือศึกษาให้มันได้เนื้อออกมาอะไรชี่ไม่ใช่เนื้อเอามันหมดไปแล้วก็ใช่ตามความเหมาะสมในโลกนี้มีสมมติมีบัญญัติมีวัตถุมีอาการต่างๆอย่าหลง จะหลงของเก่าย่อมโงของใหม่โบราณท่านว่าถ้าไม่หลงตัวเองก็ถือว่าไม่หลงทั้งหมดนะแต่มีผู้สอนจะพาทำไม่ใช่สอนบอกให้ทําอย่างนี้ให้ทําอย่างนี้ถ้าสอนต้องเย็นอยู่ในห้องการนี้บอกการบอกได้ไม่อยู่ในห้องนอกรูปแบบเพราะถ้าบอกแล้วก็ไปได้เลยเช่นเราบอกให้สร้างความรู้ ความรู้ก็ไม่ได้สร้างเพราะมีอยู่แล้วใช่ไปได้เลยเนี่ยเราก็พ่อพิสูจน์เร่องมนุษย์สมบัติแล้วเราพิสูจน์ดูพอมีความรู้พอจะเห็นความหลงเห็นความหลงถ้าเรามีความรู้เกี่ยวข้องกับความหลงอย่างไรไม่ต้องไปถามใครเป็นปัจจิตตังของผู้ที่ทําหลงก็หลงเองรู้ก็รู้เองเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เป็นไหมทําให้เป็น เราใช่สอนให้รู้สอนให้ไปทำทําให้มันเต้นถ้ามันหลงก็รู้ถ้ามันทุกข์ก็รู้ถ้ามันโกรธก็รู้ถ้ามันผิดก็รู้ถ้ามันถูกก็รู้แปลว่าตรงรู้เดียวน่ะมันเป็นตัวเฉลยจะไปเห็นเอาผิดจะไปเอาถูกถ้ามันผิดไม่ชอบถ้ามันถูกชอบถ้ามันสงบชอบถ้ามันพุ่งซ้านไม่ชอบไม่ใช่อย่างนั้น แต่จะเห็นภาวะที่เห็นเป็นกลางภาวะที่เห็นจิเป็นมักนักเห็นว่ามันกลางเพรามันกลางก็ผ่านถ้าไปชอบไม่ชอบไม่ผ่านเหมือนไม้ท่อนทูงท่อนไม้ไหลไปตามแม่น้ําถ้าทอดไม้ท่อนใด ไ, ไหลห ล, ลงไปล่องน้ําไม่ติดฝังซ้ายฝัขงขวาก็ไหลลงไปสู่ก็เลยมหาสมุทรถ้าภายในผ่านเหมือนกับทะเล ถ้าอันทรงถ้านั่งานานก็ไหลถึงทะเลจิตใจของคนเราก็เหมือนกันมันไหลไปไหลไปเอยียงไปไหลไปสู่มรรคส่ผลถ้าไปยินดีเป็นฝั่งขวาไปยิน r i g เป็นฝั่งซ้ายไปติดฝั่งซ้ายว่าไปติดฝั่งขวาว่างางเข้าขึ้นไปไปชำระไปสุขไปทุกข์ไปพอใจไม่พอใจอยู่ตรงนั้นก็ไปไม่ได้พระอาหารบางลูก บรรลุธรรมก็ เ, เห็นเรื่องนี้เห็นท่อทจงไหลนั่งความเปลี่นเปียนอยู่ฝั่งแม่น้ำเป็นท่อนจงไหลมาเปรียบเทียบกับชีวิตของเราเอามาเปรียบเทียบมาสอนตัวเราได้บรรลธรรมเพราะอาหารมางลูกเห็นไปไม่ล่วงม า, มาก็ได้บรรลุธรรมมันมนอกรูปแบบแล้วแต่เราจะเอามาเป็นบุญเรียนยังไงภายนอกก็มีภายในก็มีภายในก็มีเรานี่ภายนอกอาจจะมีอะไรเปรียบเทียบ พระเจ้าเคยเพียบเพียบให้พระสงฆ์เอาเยี่ยงอย่างของของกวางละกวางหายจิงมันทํางาในเชื่อลูกดีลุกล่นมองหน้ามองหลังเอาอ่างกวางบ้างพระสงฆ์ผู้ความเพียรๆสำรวมอาณจตนะตาหูจะมูเลีงกายใจมันให้ยินดียินร้ายเวลาเหย็นลูกฟังเสียงหลมจินเลีล้ยงรถถูกต้องประตะปะสํารวมลงหรือว่ากวาง ไม่ด่วนรอบไม่ด่วนไปเสดก็ทําให้หนักแน่นไม่งอแงก่นอนแขนจากการถูกขืนตนเองจางนี้เราก็เอาเระาะรอยหยาจากเราว่ามันอยู่นิ่งไม่เป็นดอกคิวเราเนะ่แต่น้อเราก็เคลื่อนไหวให้มันรู้สึกตัวหายใจเข้าหายใจออกเืินเดินนั่งงอนผู้เหยียดเคลื่อนไหวมีสติไปในกายให้ต่อเนื่อง แต่มากับท่อนกับเท่นเวลาบันหลงก็รู้ได้ไม่ใช่ความหลงเป็นความหลงความหลงเป็นความรู้ความผิดกายเป็นความรู้อะไรก็ตามเป็นความรู้ได้มันเป็นสากลอย่างนี้ความเป็นธรรมมันเป็นสากลไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกอะไรทั้งหมดเลยเปลี่ยนได้เปลี่ยนโศกเป็นรู้เปลี่ยนทุกเป็นรู้ได้นี่คือมาใช้สติมาสัมผัสมาต่อเอา เอากายมาต่อเอาความรู้สึกตัวเอาใจมาต่อเอาความรู้สึกตัวเกิดกายอยู่เป็นประจำเมืม่อใดมื่อะไรเกิดขึ้นมีจัมมชยมีสติถอนความพอใจและความมากพอใจในโลกออกเสียได้อย่าให้ฆ่าอยา้ฆ่าความโศกยายฆ่าความทุกข์ถอนออกมามามีความรู้สึกตัวไปทางนี้แต่ว่าฝึกตนสอนตนเราไม่ทำํำแบบ น, นี้ถือว่าไม่ฝึกตนสอนตน มันหลองก็ปล่อยความหลงบายเราชีวิตอยู่สมมติชั่วโมงหนึ่งหกสิบวินาทีเราสร้างจังหวะนี่จังหวะหนึ่งที่เราเคลื่อนไหวประมาณวินาทีหนึ่งละลู่ทีหนึ่งวินาทีหนึ่งลู่ทีหนึ่งวินาทีละลู่หกสิวินาทีเป็นหนึ่งนาทีชั่วโมงหนึ่งก็ต้องสามพันกว่าวินาทีก็ได้สามพันลู่เป็นมหาลู่ขึ้นมาได้ มันทําได้มันทําได้ไม่ใช่ทําไม่ได้ต่อใช้ชีวิตอย่างไงเกิดมาลถึงปัจนนี้คูณ น, นีอน้อยู่กับสภาพเพี้ยนลายอยู่กับสภาพความหลงอยู่กับอยู่กับสภาพความรู้จักตัวให้ความมันทําต่อเราไหมมิแต่เรียกร้องความันทําสร้างความมันทําให้เกิดเคลื่อนเกี่ยวดวเองว่าไม่เป็นหาความมันทําที่ไหนได้ยังโกรธยังโลภยังลลหลงยังรักยังชงังยังโศกยังทุกข์อยู่ กายเปลี่ยนใจใจเปลี่ยนกายไม่เป็นสมรูคีกันเลยเจ็บแค่ได้ป่วยเพราะ ก, กา ย, ยาเจ็บแค่ได้ป่วยเพราะใจกลายไปก็เพราะกายเพราะใจนี่จนที่เหวกายเหวใจมาเป็นมักเป็นผลเปนความก็ทําให้สําเร็จได้ไอ้นี่ลองมาพิสูจน์กันดูอย่ามาเชื่อมาใช่พูดนห้เชื่อพูดให้ไปทําดูเรื่องพวกเราเนี่เป็นปัญญาชน เกี่ยวข้องกับผู้คนจํานวนมากรับผิดชอบเป็นบุคลากรของรัฐยิ่งสนุกดีถ้าเราไม่รู้ตัวยังก็มีปัญหาแต่เพื่อนร่วมงานได้ทำงานก็เป็นทุกข์การที่ทํางานทุกควาสนุกงานที่เราทําก็ชอบอยู่แล้วเป็นการงานชอบการงานปราศจากโทษไม่ใช่ข่าสัตว์ตําเลเนื้อสัตว์ขายไม่ใช่ไปข่าจ ต, ตาวุธไม่ใช่ตตไปข่าขาย ยาพิษมาใช่ไปค้าขายอะไรที่มันผิดศีลธรรมเราธรรมลทานชอบอยู่ในบรรลุธรรมเพราะการละมานล่าเราจึงอาศัยความสะดวกเพื่อให้บรรลุธรรมแต่าอาศัยความสะดวกเพื่อให้เห็นแก่ตัวอาศัยความสะดวกเพื่อบรรลุธรรมจึงสมควรอย่างยิ่งหน้าโมทนาพวกเราที่มาศึกษาเรื่องนี้ มันก็เป็นหัวหลบเป็นเลยรัพย์ที่จะไปต่อให้เกิดเป็นมากเป็นผลได้เพราะอะที่เรายกมือไหว้ตัวเองได้แทนที่จะยกมือไหว้ตัวเองได้จากน้อยเราก็ต้องเอาชนะความหลงด้วยความไม่หลงเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธเอาชนะความทุกข์ด้วยความไม่ทุกข์มันก็ยกมือไหว้ตัวเองได้ถ้าเขาด่า เราเราไม่โกรธหรือว่ายกมือว่าธอเองได้พระพิเ้าสรรเสริญบุคคลเพื่อเอุจจาะตนการศะัทธาคนอื่นร้อยครั้งพันหนถ้าเท่าอุจจะตนแม่ครั้งเดียวการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการอาชนะตนทุกกรณีเพราะความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ไม่เปิดไม่เพื่อนกับลายรวามหลงมันเปิดเพื่อนความรู้สึกตัวมันสะอาดบริสุทธิ์ มีสติก็ลับความชั่วมีสติก็ทํำความดีมีสติจิตก็บริสุทธิ์แล้วเป็นการทํามูลไปในตัวขณะเดียวกันเป็นการรักษาศินไปในตัวขณะเดียวกันเลยอาจจะไม่ต้องว่าปานาติปตาเวลามาในสิกขาปัทังสมาธิยเมกก็ได้เพราะเราไม่สติมันก็ไม่คิดไปมีสติมันก็ไม่ไปพูดเท็จพูดคำหยาบมีสติมันก็ไม่ไปฆ่าสัตว์รักษา มันสังรวมอยู่นี้ก็ถือว่าประการรักษาเช่นได้ศินจิกขาไม่ใช่สินสมาทานสินธรรมทานด้วยสินหลอกกันหินเล่าอยู่ในปากก็ยังมาสมาทานโกหกพระต่อหน้าต่อ ต, อตาก็ไม่งานนี่สินสิกขาเนี่ยเป็นสินที่ตัวเองก็หลอกตัวเองไม่ได้แม่หลอกตัวเองไม่ได้ก็ไม่กล้าหลอกคนอื่น เอางี้เราไม่รู้จักตัวเองหลอกตัวยังได้ก็ไปหลอกคนอื่นบางท่านที่ตัวยังทำไม่ดีก็ยังไปหลอกคนอื่นได้แต่ถ้าเป็ น, นศีลสิกขาเนี่ยมันหลอกไม่ได้เป็นบาปต้องได้คิดแล้วเป็นกรรมต้องคิดแล้วก็มีความรู้สึกตัวจะเหมือนกับเพื่อนแล้วทําให้คิดไปแต่ไม่คิดไปทางดีมันเพื่อนแล้วเหมือนกับอยากเอามือไปเช็ดหัวใจออกแตะถ้าเราไม่มีสติมันก็น่าด่านตรงนี้นะไม่อายเลย ถ้ามีสติมันไม่มไม่ได้ามาน่ะก็มันเห็นมาจุลิจักเข็ดหลบับอายอายไม่ใช่อายคนอื่นอายตัวเองในก้าวคิดแล้วก็ทำในสิที่ไม่ดีพวกเราขอเปนเพื่อนกับท่านทั้งหลายที่นี้ก็ขอมีอาชีพเรื่องนี้กับพคิดหนึ่งขอมีส่วนร่วมกับพวกเราที่จะต้องศึกษาเรื่องนี้ จะไม่พาหลงททศโรงทาง